ปาราชิกสิกขาบทที่แปดถามภิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้งแปดประการต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้ง8ปดระการต้องอาบัาตสาม อ, อ, อย่างคือ 1. ที่ชายสั่งว่าจงไปยังห้องชื่อนี้แล้วเดินไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. พอย่างเข้าช่วงแขนของชายต้องอาบัตทุลใจสา 3. เมื่อทำวัตถุครบทั้ง8ประการต้องอาบัตปาราชิกภิกษุณีผู้ทำวัตถุครบทั้ง8ประการต้องอาบัตสมอย่างเหล่านี้ปาราชิกแปดสิกขาบทจบ